มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อดูแลรักษาใจให้อยู่ในสภาพปกติเพราะการดูแลรักษาใจเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราเพราะใจของเรานี่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดความสุข ความทุกข์ของใจเรานี้มีอนุภาพมีอิทธิพลมากกว่าความสุขทางกายหรือความทุกข์ทางกายถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความแก่หรือเกิดจากความตายใจของเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เป็นปัญหาเพราะใจของเรามีความสุขที่เหนือกว่าความทุกข์ของร่างกายที่สามารถป้องกันหรือไม่ให้ ความทุกข์ของร่างกายเข้ามาเหยียบย่ำทำลายใจของเราได้เช่นใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มีความรู้สึกเดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายกับการสูญเสีย ก, กับการพัดพราก จากสิ่งต่างๆทั้งหลายไปเพราะใจของท่านมีความสุขที่เรียกว่าปรมังสุขขังบรมมสุขคำว่าบรมมสุคนี้ก็ก็คือความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสุขที่เหนือความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ความสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและไม่มีวันหมดสิ้นไปเป็น ความสุขที่ทุกคนสามารถพัฒนาทำให้มีได้ในใจของทุกๆคนถ้ามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเท่านั้นจิตใจก็จะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมากมีน้อยไม่ว่าจะเป็นเพศ ใดก็ตามเป็นครหัดขรวาสผู้คลองเรือนก็สามารถมีความสุขแบบนี้ได้เป็นพระภิกษุเป็นนักบวชก็สามารถมีได้เป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่ไม่มีอะไรที่ใจของพวกเราทุกคนจะสามารถ ทำไม่ได้ใจของเราสามารถปฏิบัติได้ทุทกคนสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยทุกคนอยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่วิริยะความภาคเพียรอยู่ที่สติคือการละเลิกรู้ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบและปัญญา คือความฉลาดที่จะคอยสอนให้ใจแยกแยะสิ่งต่างๆให้ออกจากกันไม่ให้เข้ามาหลอกให้ใจต้องเดือดร้อนต้องวุ่นวายใ น, ในขณะนี้ใจของพวกเรายังขาดคุณธรรมเหล่านี้ยังขาดศรัทธายังขาดวิริยะความภาคเปลี่ยน ยังขาดสติความระลึกรู้ความสามารถที่จะควบคุมความคิดของใจได้ขาดสมาธิคือความตั้งมั่นความสงบและขาดปัญญาความฉลาดที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆให้ออกจากกันแยกแยะความทุกข์ให้ออกจากความสุขแยกแยะความไม่เที่ยงออกจากสิ่งจากความเที่ยง ได้แยกแยะความไม่มีตัวตนออกจากความมีตัวตนนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายมาเจริญกันมาปฏิบัติกันเพื่อที่ใจของเราจะได้อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดอยู่ที่การเจริญคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ในเบื้องต้นท่านก็สอนให้เรามีสติ อยู่กับการทำความดีให้เราคอยดูใจของเราว่ากำลังคิดอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดีถ้าคิดไม่ดีก็ให้เลิระนับเสียอย่าไปคิดถ้ายังจะคิดก็ให้ใช้อุบายของสมาธิคือให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจเช่นเวลาที่มีความโกรธ แล้วคิดอยากจะทำร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายตนเองก็ให้พยายามระงับดับความคิดที่ไม่ดีนี้เสียถ้ายังดับไม่ได้ก็ให้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจให้อยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความโกรธ พยายามรื้ไปให้ได้เพราะถ้าเราลูงได้แล้วความโกรธก็จะหายไปแล้วความคิดที่จะไปทำร้ายผู้อื่นก็จะหายไปความโกรธนี้ก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่วครู่เท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ไปกับเราไปตลอดเช่นวันเวลานี้เราส่วนใหญ่ก็ไม่มีความโกรธกันแต่ไม่นาน ก็อาจจะต้องมีความโกรธเวลาที่เราไปสัมผัสรอบรู้กับเรื่องหรือบุคคลที่เราไม่พอใจเราไม่ชอบใจเราก็จะเกิดความโกรธได้แต่ขอให้เราทำความเข้าใจว่าความโกรธนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใครไม่เป็นคุณกับใครไม่เป็นคุณกับตัวเราเองกับใจของเราเอง าะทำให้ใจของเรารุ่มร้อนเหมือนไฟนรกเหมือนตกนรกทั้งเป็นเวลามีความโกรธมากมากนี้จะกินไม่ได้นอนไม่หลับจะคิดแต่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอย่างเดียวแล้วถ้าระบายความโกรดนี้ไปทางวาจาและทางกายก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเช่นไปดา่าผู้อื่น หรือไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะต้องประสบกับความเจ็บความปวดของร่างกายและของจิตใจแล้วเขาก็จะเกิดความโกรธความอาฆาตพยาบาทแล้วก็จะกลับมาทำร้ายร่างกายของเราอีกตอนน่อไปนี่คือผลที่จะตามมาจากการ ปล่อยให้ความโกรธนั้นมีอำนาจที่จะสั่งให้วาจาและกายไปทำในสิ่งที่เสียหายแต่ถ้าเราจเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวให้เราคอยดูใจของเราอยู่ทุกขณะว่าขณะนี้เรากำลังคิดอะไร กำลังคิดดีหรือคิดไม่ดีกำลังมีความโกรธหรือไม่โกรธกำลังมีความโลภหรือไม่โลภ ก, กำลังมีความหลงหรือไม่หลงถ้าเราคอยดูเราจะเห็นเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจของเราแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ได้ดูที่ใจของเราเพราะเราถูกกิเลสหลอกให้เราไปดูข้างนอกกัน ดูร um, mm. uh ูปไปดูรูปไปฟังเสียงแล้วพอได้สัมผัสแล้วก็มีปฏิกิริยาภายในใจแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังมีปฏิกิริยาอย่างไรเห็นรูปที่ชอบก็เกิดความโลภอยากจะได้เห็นรูปที่ไม่ชอบก็เกิดความเกลียดเกิดความกลัวเกิดความชังขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทา เพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบนั้นหายไปหรือถ้าเป็นสิ่งที่ชอบก็จะพยายามทำเพื่อให้ได้มาโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าการที่จะได้มานั้นถูกหรือผิดอย่างไรเช่นคนที่อยากจะได้เงินมากๆบางครั้งก็ต้องไปทำบาไปลักขโมยไปโกง ไปโกหกหลอกลวงหรือถ้าชอบคนใดคนหนึ่งอยากจะร่วมหลับนอนด้วยอยากจะได้มาเป็นคู่ครอง mm. ก็ไม่คำนึงว่าเขานั้นมีคู่ครองแล้วหรื อ, อยังถ้ามีความอยากจะได้แล้ว mm. ก็จะต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้คนที่เราอยากได้มาเป็นของเรา แล้วก็ไปทำบาปทำกรรมไปประพฤติผิดประเวณีแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับคู่ครองของคนที่เราแย่งเขามาให้ให้เขามีความทุกข์ให้เขามีความโกรธให้เขามีความมาฆาาพยาบาทแล้วก็มาตามจองล้างจองผลานเรานี่คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหากเราไม่คอย เฝ้าดูความคิดของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้มีสติพยายามดูใจของเราพยายามควบคุมใจของเราอย่าให้โกรธอย่าให้โลภอย่าให้หลงความหลงนี้เป็นเหมือนกับตาบอดความมืดบอดเราต้องใช้แสงสว่างเข้ามา ดับความมืดบอดเช่นเวลาที่เราอยากจะทำบาปทากรรมเราก็ต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนว่าผู้ที่ทำบาปทากรรมนั้นจะต้องรับผลของบาปกรรมที่ตามมาต่อไปผลในปัจจุบันก็คือความวุ่นวายใจเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆการทะเลาะวิวาทกัน การต้องคอยระมัดระวังปกป้องกันตนเองจากคนที่เขามีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเนื่องจากการกระทําของเราถ้าเราหักห้ามใจของเราว่าอย่าไปเอามาเลยได้มาไม่คุ้มเสียขณะนี้เราก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้เราไม่มีความอยากนี้เราก็อยู่ได้ เราก็มีความสุขได้ฉะนั้นอย่าให้อารมณ์ชั่วรูปนี้มาหลอกให้เราต้องไปทำในสิ่งที่จะเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็อาจจะระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าเรายังไม่สามารถระ ง, งับได้เราก็ต้องใช้วิธี ขับไล่ความคิดต่างๆที่ไม่ดีนี้ออกไปก่อนด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆทั้งสิ้นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวหรือถ้าเราอยากจะสวดมนต์ไปภายในใจก็สวดได้ส่วนบทใดก็ได้ที่เราจําได้สวดอรหันสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆ ไม่นานอารมณ์ต่างๆก็จะสงบตัวลงความคิดไม่ดีต่างๆก็จะหมดกำลังไปแล้วเราก็จะกลับมาเป็นปกติอย่างที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้เราไม่โลภเราไม่โกรธเราไม่หลงเรามีความสุขขอให้เราสอนใจเราอย่างนี้ว่าไม่มีความสุขอันใดดีกว่าความสงบ ความสมงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตาม mm. ก็จะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขไปนานหรอก mm. ได้มาใหม่ๆก็อาจจะดีใจมีความสุขไปวันสองวันแล้วหลังจากนั้นแล้วพอมีความโลภความโกรธอันใหม่ปรากฏขึ้นมาความสุขที่เราได้จากการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็จะหายไปหมด แล้วก็จะต้องไปหาเรื่องใหม่ถ้าโกรธก็ไปหาเรื่องดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ทุกตีคนนั้นทุกตีคนนี้ทำร้ายทรัพสมบัติทรัพย์สินต่างๆให้เกิดความเสียหายแล้วในที่สุดก็จะต้องไปถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจมาจับไปลงโทษไปขึ้นศาลไปติดคุกติดตารางต่อไปดังนั้นความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดี ความหลงก็ดีนี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นเหมือนลูกระเบิดที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเรามีลูกระเบิดอยู่ในบ้านของเราเราจะเก็บเอาไว้ไหรไม่เราจะต้องรีบขนออกไปไว้นอกบ้าน ท, าทันทีเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็มีลูกระเบิดอยู่ในใจคือความโลภความโกรธความหลง ที่จะคอยระเบิดอยู่ตลอดเวลาพอระเบิดแล้วเราก็กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปก่อนที่จะระเบิดเราก็เป็นคนดีคนคนใจบุญใจกุศลแต่พอเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารไปทันทีคิดแต่จะทำร้ายผู้อื่นคิดแต่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น ไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีความสงสารเลยแล้วใจก็จะมีความทุกข์ด้วยทุกครั้งที่มีความโลภความโกรธความหลงนี้ใจจะร้อนขึ้นมาเป็นไฟจะอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สงบอยู่ไม่ติดที่ถ้าโลภอยากได้อะไรเช่นตอนนี้ถ้าอยากจะสูบบุหรี่มากๆอาจจะนั่งทนอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้ อาจจะต้องลุกออกไปสู่บุหรี่หรืออยากจะทำอะไรก็ตามอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ตามถ้ามีความอยากมากๆก็จะทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้ามีสติควบคุมใจให้ตั้งใจฟังธรรมะไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องความอยากต่างๆความอยากเหล่านั้นก็จะไม่มีอิทธิพลที่จะชุดลากให้เรา ออกไปจากในสถานที่นี้ได้สตินี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นเหมือนกับเบรกรถยนต์รถยนต์นี้ถ้าวิ่งโดยไม่มีเบรกคิดดูเสยว่าจะเป็นอย่างไรขับรถไปตามสี่แยกไฟแดงแล้วไม่สามารถหยุดรถได้ <c oughs> ก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นหรือวิ่งไปแหกโค้ง วิ่งไปถึงทางโค้งแล้วไม่สามารถชะลอความเร็วได้มันก็ไม่สามารถที่จะหักเข้าโค้งได้ก็ต้องแหกโค้งไปหรือมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดรถได้อย่างปลอดภัยใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็เป็นรถยนต์วันวันหนึ่งนี้เราจะต้องไปเจอสิ่งต่างๆหลายอย่างด้วยกันสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้าง แล้วถ้าเกิดเราเกิดมีความโกรธเกิดมีความคิดร้ายคิดอยากจะทำบาปคิดจะทำชัว่วถ้าเราไม่มีเบรกไม่มีสติมันก็จะไปทำความเสียหายให้กับผู้อื่นและให้กับตนเองแต่ถ้าเรามีเบรกเราก็จะสามารถควบคุมใจของเราให้อยู่ในทํามนองครองธรรมได้ ให้เหมือนกับรถยนต์ให้วิ่งอยู่บนท้องถนนได้ไปไปไหนมาไหนไปได้อย่างปลอดภัยนะดังนั้นเราจึงควรเจริญสติอยู่เรื่อยๆให้เราเราเลือกรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังจะพูดอะไรเรากำลังจะทำอะไรนะขอให้คอยคุมเอาไว้คอยดูไว้อยู่เรื่อยๆเวลาเราทำอะไร แล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูที่ใจของเราว่าใจของเราเป็นอย่างไรยังเป็นปกติอยู่หรือเปล่าหรือกำลังเกิดความโลภขึ้นมาหรือกำลังโกรธเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเกิดความโลภเกิดความโกรธก็ต้องพยายามหยุดให้ได้หยุดด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้หรือจะใช้เหตุผลคือปัญญาก็ได้เช่นสอนว่าความโกรธนี้ มันเป็นอันตรายเป็นโทษกับเราและกับผู้อื่นขณะที่เราโกรธนี้เราก็รุ่มร้อนเหมือนตกนรกทั้งเป็นแล้วถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะเดือดร้อนเจ็บตัวแล้วเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราดับความโกรธของเราได้ทุกอย่างก็จะเป็นปกติ คนที่เราโกรธเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราเราก็จะอยู่ไปอย่างเป็นปกติได้ไม่ต้องไปหลบหลบซ่อนๆถ้าเราไปทำร้ายเขาแล้วเรากลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ต้องอยู่แบบหวาดกลัวอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ่อนไปไม่มีความสุขดังนั้นท่านยึงสอนให้เราอย่าไปชนะผู้อื่น เวลาผู้อื่นทาอะไรทำให้เราไม่พอใจอย่าไปชนะเขาอย่าไปทำร้ายเขาให้ชนะเราให้ชนะความโกรธเพราะความโกรธนี้เป็นตัวที่อันตรายผู้อื่นไม่อันตรายเท่ากับความโกรธเพราะเวลาที่เราไม่โกรธเราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะไม่มาทำร้ายเราอย่างในขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปทำร้ายใคร ก็ไม่มีใครเขาคิดจะมาทําร้ายเราแต่ถ้าเราลองไปทําร้ายผู้อื่นดูดูซิว่าเขาจะอยู่เฉยๆหรือไม่หรือว่าเขาจะกลับมาทําร้ายเราเพราะว่าการกระทําของผู้อื่นนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทําของเราเองถ้าเราทําไม่ดีผู้อื่นเขาก็จะทําไม่ดีกับเราถ้าเราทําดี ผู้อื่นเขาก็จะทําดีกับเราถ้าเราอยากจะให้ผู้อื่นทําดีกับเราเราก็ควรที่จะทําดีต่อผู้อื่นก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเราทําแล้วขอให้เราอย่าไปหวังผลทันทีทันใดเพราะการทําความดีนี้อาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าที่จะได้รับผลดีจากผู้อื่นกลับมา แต่อย่างน้อยที่สุดการทำความดีของเราก็จะทำให้เรามีความสุขใจในขณะที่เราทำซึ่งเป็นเป็นผลที่เราต้องการเพราะเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราโดยตรงส่วนความดีของผู้อื่นที่เขาจะทำกับเรานี้ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เขาไม่ทำดีกับเราเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยังมีความสุขได้ เขาทำความดีทาความดีกับเรามันก็เป็นความดีของเขาศสียมากกว่าเราก็เพียงแต่ไม่ต้องกังวลกับการทำร้ายของเขาเท่านั้นเองดังนั้นขอเวลาเราทำความดีจึงขอให้เราดูที่ใจของเราดูที่ผลที่เกิดที่ใจของเราเป็นหลักอย่าไปหวังผลจากผู้อื่นเช่นเราให้ของผู้อื่นแล้ว อย่าไปหวังให้เขาให้ของตอบแทนกับเรามาเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้เราก็อาจจะเกิดความโกรธรือเกิดความเสียใจได้เพราะเราทำด้วยความโลภนั่นเองเราไม่ได้ทำด้วยความเมตตาเราไม่ได้ทำเพื่อเสียสละเพื่อให้เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแต่เราทาเพื่อผลตอบแทน ถ้าทำอย่างนี้เราไม่เรียก <rec ke ye> ว่าเป็นการทำความดีเพราะเป็นเหมือนกับการไปซื้อของในร้านเราให้เงินคนที่ขายของในร้านเขาก็ให้ของเรากลับมาอย่างนี้ต่างคนต่างไม่ได้อะไรคนขายของเขาก็ไม่ได้ทำความดีคนซื้อของก็ไม่ได้ทำความดีแต่ถ้าเราเอาเงินไปให้เขาแล้วเราไม่เอาของอกลับมาอย่างนี้เราจะได้ทำความดี และเราก็จะชนะใจของเขาเขาจะมีความซาบซึ้งในน้ำใจของเราที่เราอยู่ดีๆก็เอามันไปให้เขาโดยที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรเป็นผลตอบแทนเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราพยายามให้ทานกันอยู่เรื่อยๆการให้ทานนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปให้ที่วัดเพียงอย่างเดียวการให้ที่วัดก็ดีอยู่ แต่ถ้าเราไม่ได้มาวัดเราก็ให้กับผู้อื่นก็ได้ถ้าเราเห็นผู้อื่นเดือดร้อนลำบากเราก็ให้เขาไปบ้างแบ่งให้เขาไปบ้างให้เขาได้มีความสุขบ้างให้กับคนที่เราเคารพ ก, ก็ได้เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุยยะตายายผู้มีพระคุณถึงแม้ว่าเขาจะไม่เดือดร้อนเขาไม่ต้องการอะไร แต่ถ้าเราให้เขาได้ก็จะทำให้เรามีความสุขและจะทำให้เขามีความสุขด้วยที่เห็นว่าเราเป็นคนดีรู้จักให้คนที่ไม่รู้จักให้นี้เป็นคนดียากเป็นไม่ได้เพราะจะถูกความอยากความโลภนี้มาคอยกีดกันไม่ให้ทำความดีไม่ให้ใคร ความอยากได้นี้มีมากเท่าไหร่ความตนีความหลวงแห่งก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าได้มีการให้อยู่เรื่อยๆให้ได้มากเท่าไหร่ความหวงความตนีก็จะมีน้อยลงไปความโลภความอยากได้ต่างๆก็จะมีน้อยลงไปความสุขใจก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับ ถ้ามีความโลภมากมีความโวงมากมีความตะหนียมากก็จะมีความทุกข์มากเพราะจะคอยห่วงคอยกังวลกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปซึ่งไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งทุกอย่างไปอยู่ดีคนเราทุกคนไม่ได้อยู่แต่โลกนี้ไปตลอดสักวันหนึ่งก็ต้องตาจากโลกนี้ไป ถ้าตายไปแบบใจที่มีความหวงมีความตนีก็จะไปอย่างทุกทรมานใจแต่ถ้าไปแบบใจที่กว้างมีการเสียสละมีการให้อยู่เรื่อยๆก็จะไปอย่างสุขสุขสงบไปสู่สุขติขณะอยู่ก็จะมีอยู่อย่างมีความสุขไม่กังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มากจนเกินไปแล้วเวลาเกิดการสูญเสียแทนที่จะเสียใจก็กลับจะมีเป็นมีความสุขใจถ้าคิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเช่นถ้า ม, ถามีมีขโมยขึ้นบ้านมาขโมยข้าวของไปก็คิดว่าดีเราไม่ต้องขนไปให้คนอื่นมีคนมามาขนบาารับ จากบ้านออกไปเลยเรามีโอกาสได้สร้างบุญบารมีได้สร้างทานบารมีทำให้ใจของเราสูงขึ้นกว้างขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วถ้าเรายังอยากได้ของที่เราเสียไปก็คิดว่าดีเราจะได้ของใหม่เราจะได้ไปซื้อของใหม่มาใช้ใช้ของเก่ามานานแล้วมีคนเขาอยากจะให้เราได้ใช้ของใหม่ก็ดีให้เขาไป ถ้าเรายังมีเงินอยู่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อของใหม่มาใช้ไปเสียดายทำไมเงินเงินมีไว้เพื่อรับใช้เราเพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้เราอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้มาให้เราเป็นที่ข่าของเงินคือต้องมาเป็นยามาคอยเฝ้าเงินเฝ้าทองไม่กล้าใช้กลัวจะหมด เ, เวลาตายไปมันก็หมดจริงๆเวลาอยู่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั้ง ให้ความสุขกับร่างกายและไม่ได้ใช้กับการสะสบมบุญบารมีที่จะทำให้การไปเกิดในภพหน้าชาติหน้านั้นสุขสบายขึ้นกว่าชาตินี้บุญที่เราทำคือการให้ทานนี้ไม่สูญหายไปไหนเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญพอเราตายไปไปเกิดชาติหน้าเราก็จะไปเกิดในกอ ง, กองเงินกองทอง ไม่ต้องไปเกิดในกองขยะเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงเป็นพระเวชสันดรทรงทำทานอย่างเต็มที่มีอะไรขยะจะได้อะไรให้ไปหมดเลยไม่เสียดายไม่หวงแหนเพราะทรงรู้ว่าไม่ช้ากเร็วเวลาตายไปก็ต้องให้เขาไปอยู่ดีให้แบบนั้นไม่ได้บุญเพราะให้แบบถูกบังคับให้ให้ด้วยไม่ความความไม่เต็มใจ ถ้าให้แบบนั้นเราจะทุกข์ทรมานใจจะเสียใจแต่ถ้าให้ด้วยความสมัครใจอย่างญาติโยมมา น, นี้มาให้ด้วยความสมัครใจเสียเงินไปหลายร้อยบาทด้วยกันแต่ไม่เสียใจแต่ถ้าสมบุรณ์ไม่ได้ตั้งใจแล้วมีอยู่ดีๆมีคนมาขโมยเงินไปก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเสียอย่างเสียเงินเท่ากัน แต่เสียแบบสุขก็ได้เสียแบบทุกข์ก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะฉลาดหรือจะโม่เท่านั้นถ้าเราฉลาดเราก็ต้องคิดว่าเงินทองเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติผัดกัญชมเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากเขาไปถ้าเราหวงเรามีความยึดติดเราก็จะมีความทุกข์กับเงินทอง ถ้าเราไม่หวงเราใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นเราก็จะมีความสุขพระเวชสันดรท่านคิดอย่างนี้ท่านถึงกล้าให้ได้ทุกอย่างใครอยากจะได้อะไรท่านก็ให้หมดหลังจากท่านตายไปแล้วท่านก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นเทพไปจนบุญที่ท่านได้ทำจากการให้ทานนี้หมดไป ท่านก็กลับมาเกิดเป็นราชโอรสเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์มีปราสาทสามฤดูมีสิ่งต่างๆคอยอำนวยความสุขให้แต่ความสุขเหล่านี้พระพุทธเจ้ากลับทรงเห็นว่ามันก็ยังไม่ดีพอเพราะมันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีความเสื่อมและมันมีความไม่อิ่มไม่พอต่อให้มีงาน สันเสริญบันเทิงมากน้อยเพียงไรพอมันผ่านไปหมดไปความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมันก็กลับมาแทนที่อยู่ดีต้องคอยมีงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่เหงาไม่ซักไม่ไม่ว้าเหวสทงเห็นว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่มีแต่ความทุกข์ตามมาจึงอยากจะหาความสุขที่ดีกว่านี้ ก็เลยจำได้ว่าวันหนึ่งในสมัยที่เป็นเด็กเคยทรงนั่งประทับอยู่ตามลำพังในขณะนั้นพวกข้าราชบริพารทั้งหลายได้ไปทำธุรกิจอย่างอื่นปล่อยให้พระองค์นั่งอยู่ตามลำพังพระไทยของพระองค์ซึ่งเคยได้บำเพ็ญสมาธิมาแล้วในในอดีตชาติพอไม่มีสิ่งต่างๆรอบตัวมารบกวน พระไทยของพระองค์ก็ดิ่งเข้าสู่ความสงบก็ทรงเห็นว่าโอ้ความสุขความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มให้ความพอและไม่มีความว้าเหวถึงแม้จะอยู่ตามเงินพันก็ไม่รู้สึกว้าเหวไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆ พอเวลากลับบ้านกลับไปอยู่คนเดียวก็เกิดความเหงาความาว้าเหวเกิดขึ้นมาเมื่อเห็นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงหาวิธีหาทางที่จะออกไปหาความสุขที่เกิดจากการอยู่ตามลำพังในคืนวันที่ได้ทรงทราบว่าพระมเหสีได้ประสูติพระราชโอรส พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเวลานี้แล้วที่จะต้องไปเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงคือความผูกพันกับพระราชโอรสนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะปลิดเวกออกไปหาความสุขที่เกิดจากความสมบได้ในคืนนั้นพระองค์จึงต้องตัดสินประทัยไม่กล้าแม้แต่ไปมองดูลูกของตน ต้องไปเพราะว่าถ้าเห็นแล้วเดี๋ยวใจจะไปไม่ได้พรอง เ, เลยต้องจากไปในคืนนั้นแล้วก็ไปบวชไปอยู่เป็นพระเป็นสเป็นสั ม, ส ม, มณะปรีกวิเวกตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หาความสุขจากการบันเทิงสงสังสรสั ง, ส ง, สงต่างๆไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส แต่หาความสุขจากการควบคุมใจให้สงบ ด, ด้วยสติควบคุมใจให้มีให้คิดอยู่แต่คําบริกรรมอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธไปหรือจะควบคุมให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไม่ต้องไปบังคับลมดูว่าตอนนี้ลมกําลังหายใจเข้าหรือหายใจออก เวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปบังคับเราหายใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่เราไม่เคยดูลมหายใจของเราเลยเราไม่รู้เลยว่าขณะนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกลมของเราอยากหรือละเอียดเราก็ไม่รู้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยดูลม เราชอบไปดูรูปเสียงกลิ่นรสมากกว่าดูแล้วก็เกิดความโลภพอเกิดความโลภแล้วก็ต้องออกไปไล่หาคว้าเอาสิ่งที่อยากจะได้มาพอได้มาแล้วก็ต้องมาคอยเฝ้าดูแลรักษาในขณะเดียวกันก็ลืมดูใจของเราปล่อยให้ใจของเราว่าวุ่นขมขุนมัวกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติ มาทุกข์มาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะเราไม่เคยหันมาดูลมของเราเลยลองนั่งขัดสมาบิหลับตาแล้วดูลมดูบ้างดูเฉยๆแต่อย่าไปคิดเรื่องอื่นท่านั้นให้คิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวเช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องไปบังคับลม ให้รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วความคิดต่างๆก็จะเบาบางลงไปความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะเบาบางลงไปเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องมีต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือเวลาคิดถึงคนนั้นก็จะก็ก็อยากจะพบเขาแล้วหรืออยากจะเจอกับเขาอยากจะคุยกับเขาก็ต้องไปกดโทราศัพท์คุยกัน คุยกันแล้วคุยไปคุยมาเดี๋ยวเกิดทะเลาะกันขึ้นมาก็เสียใจไปหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะหาความสุขกับหาความสุขไม่เป็นเพราะถูกความหลงหลอกให้คิดว่าความสุขอยู่ที่ข้างนอกอยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้อยู่ที่สิ่งนั้นอยู่ที่สิ่งนี้แต่หารู้ไมมว่าความสุขนี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การดูลมหายใจของเรา หรืออยู่ที่การบริกรรมพุโทโธของเราขอให้ลองทำดูเถิดถ้าใจเราสบรงบเมื่อไหร่แล้วเราจะร้องอ๋อทันทีว่าอ๋อนี่แหละคือความสุขของเราเป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาสามารถแย่งความสุขแบบนี้ไปได้ความสุขแบบอื่นนี้คนอื่นเขาแย่งไปได้ถ้าเรามีความสุขกับสามีหรือภรรยาคนอื่นเขาแย่งไปได้ เรามีความสุขกับทรัพสมบัติข้าวของเงินทองคนอื่นเขาแย่งออกไปได้แต่ความสุขจากการทำใจของเราให้สงบนี้ไม่มีใครออกไปได้เป็นของเราอย่างแท้จริงและเราเอาติดใบกับใจของเราได้เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้วแต่สมบัติอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นนี้เราเอาไปไม่ได้เลยเราสามีเอาภรรยาไปไม่ได้ เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความทุกข์ความเศร้าสศขเสียใจเพราะเราไม่ฉลาดเราไปหาความสุขกับสิ่งที่ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแต่ให้ความทุกข์กับเราเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องพยายามปฏิบัติตามคําสอนพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราต้องทํากิจกรรมต่างๆก็ให้มีสติ อยู่กับกายวาจาใจของเราอย่าไปดูคนอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นทำหน้าที่ของเราไปแล้วดูใจของเราว่ากำลังคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีก็รีบลั ง, งับดับเสียถ้าคิดดีก็ทำไปเลยถ้าคิดอยากจะช่วยใครอยากจะทำประโยชน์ให้กับใคร mm hmm. ก็ทำไปเลยไม่ต้องรอให้เสียเวลาแล้วเวลาที่เรามีเวลาว่างก็หามุมสงบที่ตรงไหนสักแห่งหนึง่ง แล้วทำใจให้สงบมีสติดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือมีสติอยู่กับการบริกรรมพุทโธหรือกับ ก, บการสวดมนต์ก็ได้ใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรรสน์เราสามารถหาความสุขภายในตัวของเราเองได้แล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งของเรา เราไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรถไม่ต้องไปพึ่งลาบยศรเสริญเราเพึ่งความสงบนี้แหละเพราะนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของเราอยู่ที่ใจที่สงบนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการทำธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนําเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติอย่างเช่นในวันนี้เราได้ยินแล้วว่าเราควรที่จะเจริญสติควรควบคุมจิตใจของเราให้คิดอยู่ในทํานองของธรรมก็ขอให้ลองพยายามเอาไปปฏิบัติ ด, ดูแล้วรับรองได้ว่าความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ